พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่44จุลเวทันละสูตรสูตรว่าด้วยเวทันละคือการโต้ตอบด้วยใช้ความรู้สูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวนาวรามใกล้กรุงราชฤวิสาขุบาศกผู้เป็นอดีตสามีเข้าไปหานางธรรมทินนาภิกษุณีผู้เป็นอดีตภริยาตั้งคาถามต่าง ซึ่งนางธรรมทินนาภิกษุณีก็ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้หนึ่งคำว่าสกายะหรือกายของตนคืออะไรตอบว่าขันห้าที่คนยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายของตนถามว่าเหตุให้เกิดกายของตนคืออะไร ตอบว่าตันหาความทยานอยากคือทยานอยากในกามในความมีความเป็นในความไม่มีไม่เป็นถามว่าความดับแห่งกายของตนคืออะไรตอบว่าคือการดับตันหาโดยไม่เหลือถามว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกายของตนคืออะไรตอบว่ามักมีองแปดอันประเสริฐ มีความเห็นชอบเป็นต้นถามว่าอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นกับอุปาทานนขันห้าหรือขันห้าที่คนยึดถือเป็นอันเดียวกันหรือว่าอุปาทานอื่นจากอุปาทา น, นขันห้าตอบว่าอุปาทานกับอุปาทานขันห้าไม่ใช่อันเดียวกันแต่อุปาทานก็ไม่อื่นไปจากอุปาทานกขันห้า คือความกำหนัดด้วยความพอใจในอุปาทานขันห้าอันใดอันนั้นคืออุปาทานสองสักยทิฏฐิความเห็นที่ยึดในกายของตนเป็นอย่างไรตอบว่าอุทุชนผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของพระอริยะ ไม่เห็นสัตบุรุษหรือคนดีไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปและเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นเดียวกับประโยคข้างต้นจึงรวมเป็นสี่คูณหเท่ากับยสิบข้อถามว่าสักยทิ h y ิ จะไม่มีได้อย่างไรตอบว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับที่ตรงกันข้ามกับปุถุชนและไม่เห็นอย่างนั้น 3. อริยามรรคมีองค์8ดคืออะไรตอบว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นถามว่าอริยามรรคมีองค์8ปดเป็นสังคตะคือปัจจัยปรุงแต่ง หรือเป็นอสังคตคือปัจใจไม่ได้ปรุงแต่งตอบว่าเป็นสังคตคือปัจใจปรุงแต่งถามว่าขันสามคือศีลลขันกองศีลสมาธิขันกองสมาธิและปัญญาขันกองปัญญาขันสามนี้สงเคราะห์เข้าด้วยอริยามรรคมีองค์แปดก็แต่ว่าอาริยามรรคมีองค์8ดสงเคราะห์เข้าด้วยขันสาม ตอบว่าขันสามนี้ไม่สงเคราะห์เข้าด้วยอริยามรรคมีองค์8ก็แต่ว่าอริยามรรคมีองค์8สงเคราะห์เข้าด้วยขันสามคือการเจรจาชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าด้วยศีลขันคือกองศีลพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งใจมั่นชอบสงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันหรือกองสมาธิ เห็นชอบดําริชอบสงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันคือกองปัญญาถามว่าสมาธิสมาธินิมิตรหรือเครื่องกําหนดหมายของสมาธิสมาธิเปาริขานหรือเครื่องประกอบของสมาธิและสมาธิภาวนาหรือการเจริญหรืออบรมสมาธิคืออะไรตอบว่า ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือสมาธิสติปัฏฐานสคือสมาธินิมิตส ม, มะปัฏฐานสี่หรือความเพียรชอบคือสมาธิบาริขนและการเสพการทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นทั้งสติปัฏฐานและส ม, มะปัฏฐานคือสมาธิภาวนา4สังขารสาม คือกายสังขารเครื่องปรุงกายวจีสังขารเครื่องปรุงวาจาจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคืออะไรตอบว่าลมหายใจเข้าออกเป็นกายสังขารความตรึกความตรองหรือวิตกและวิจารเป็นวจีสังขารความจำได้หมายรู้และความรู้สึกอารมณ์หรือสัญญาและเวทนา เป็นจิตตสังขารถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นตอบว่าเพราะลมหายใจเข้าออกเป็นไปทางกายเนื่องด้วยกายจึงเป็นเครื่องปรุงกายคนตรึกแล้วตรองแล้วก่อนจึงเปเล่งวาจาความตรึกความตรองจึงเป็นเครื่องปรุงวาจาสัญญาเวทนาไปในทางจิตเนื่องด้วยจิตจึงเป็นเครื่องปรุงจิต 5. การเข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติหรือสมาบัติอันดับสัญญาและเวทนาเป็นอย่างไรตอบว่าภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทอยตานิโรธสมาบัติไม่ต้องคิดว่าเราจะเข้าเรากาลังเข้าหรือเราเข้าแล้วสู่สัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติเป็นแต่ว่าอบรมจิตเช่นนั้นไว้ก่อนน้อมจิตไปเพื่อความเป็นเช่นนั้น ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทาอิตานิโรธสมาบัติสังขารอะไรดับก่อนตอบว่าวจีสังขารดับก่อนต่อจากนั้นกายสังขารต่อจากนั้นจิตตสังขารจึงดับการออกจากสัญญาเวทาอิตานิโรธสมาบัติเป็นอย่างไรตอบว่าภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทาอิตานิโรธสมาบัติไม่ต้องคิดว่า เราจะออกเรากำลังออกเราออกแล้วจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติเป็นแต่ว่าอบรมจิตเช่นนั้นไว้ก่อนน้อมจิตเพื่อความเป็นเช่นนั้นเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติสังขารอะไรเกิดก่อนตอบว่าจิตตสังขารเกิดก่อนต่อจากนั้นกายะสังขารต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิด ผัสสะอะไรบ้างย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทาอิตะนิโรธสมาบัติตอบว่าผัสสะสคือศูญย์ยตผัสสะความถูกต้องความศูนย์หรือความว่างอนิมิตตาผัสสะความถูกต้องที่ไม่มีนิมิตรหรือเครื่องกําหนดหมายอปะนิหิตตาผัสสะความถูกต้องที่ไม่มีที่ตั้งจิตของภิกษุ ผู้ออกจากสัญญาเวทาอิตะนิโรธสมาบัติน้อมโน้มไปหาอะไรตอบว่าน้อมโน้มไปหาวิเวกคือความสงัด 6. เวทนาสามสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขเวทนาคือความสุขความสมราณที่เป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตทุกขเวทนาคือความทุก ความไม่สําราญที่เป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตอทุกขมะสุขเวทนาคือความสําราญก็ไม่ใช่ความไม่สําราณก็ไม่ใช่ที่เป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตสุขะเวทนามีอะไรเป็นสุขมีอะไรเป็นทุกข์ตอบว่าสุขะเวทนามีความตั้งอยู่เป็นสุขมีความแปรปรวนเป็นทุกข์ทุกขะเวทนามีความตั้งอยู่เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นสุขอทุกขะมะสุขะเวทนามีความรู้เป็นสุขมีความไม่รู้เป็นทุกข์อนุสัยหมายถึงกิเลสที่มีอยู่อย่างแฝงตัวคล้ายตะกอนนอนก้นตุ่มเมื่อมีอะไรมากวนจึงขุ่นขึ้นมาถามว่าอนุสัยอะไรแฝงตัวตามเวทนาอะไรตอบว่า อนุสัยคือราคะหรือความกำหนัดยินดีแบ่งตัวตามสุขเวทนาอนุสัยคือปฏิฆะความขัดใจแบ่งตัวตามทุกขเวทนาอนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้แบ่งตัวตามอทุกขมสุขเวทนาอนุสัยดังกล่าวแบ่งตัวตามเวทนาดังกล่าวทั้งหมดหรือตอบว่าไม่ทั้งหมด อะไรพึงละได้ด้วยเวทนาอะไรตอบว่าราคะนุสัยอนุสัยคือความกำหนัดยินดีพึงละได้ด้วยสุขเวทนาปาติคะนุสัยอนุสัยคือความขัดใจพึงละได้ด้วยทุกขเวทนาอาวิชานุสัยอนุสัยคือความไม่รู้พึงละได้ด้วยอทุคขมาสุขเวทนาอนุสัยดังกล่าว พึงละได้ด้วยเวทนาดังกล่าวทั้งหมดหรือตอบว่าไม่ทั้งหมดคำว่าทั้งหมดไม่ทั้งหมดใช้ประกอบคำว่าเวทนาอธิบายว่าภิกษุเข้าฌานที่หนึ่งย่อมละราคะได้ด้วยฌานที่หนึ่งนั้นราคานุใสยย่ยอมไม่แฝงตัวตามในฌานที่หนึ่งนั้นภิกษุพิจารณาว่าเมื่อไรหนอ เราจะเข้าสู่อายตนะที่พระอริยะเจ้าเข้าอยู่ได้ทําความปรารถนาให้เกิดในวิโมกอันยอดเยี่ยมก็เกิดโทมานต์หรือความเสียใจเพราะความปรารถนานั้นเธอย่อมละปฏิคะได้ด้วยโทมานต์นั้นปฏิคะนุสัยย่อมไม่แฝงตัวตามในโทมานต์นั้นภิกษุเข้าฌานที่สี่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยฌานที่สี่นั้น อวิชานุสัยย่อมไม่แฝงตัวตามในฌานที่สี่นั้นสำหรับข้อนี้อัตถถาชี้ฌานที่หนึ่งไปที่อนาคามิมักชีชฌานที่สี่ไปที่อรหัตตมักเจ็ 7. อะไรมีส่วนเปรียบเทียบด้วยเวทนาอะไรตอบว่าราคะมีส่วนเปรียบด้วยสุขเวทนาปฏิฆะมีส่วนเปรียบด้วยทุกขเวทนา อวิชามีส่วนเปรียบด้วยอาทุกขมาสุขเวทนาอะไรมีส่วนเปรียบด้วยอวิชชาตอบว่าวิชาหรือความรู้อะไรมีส่วนเปรียบด้วยวิชาตอบว่าวิมุตตหรือความหลุดพ้นอะไรมีส่วนเปรียบด้วยวิมุตตตอบว่านิพพานอะไรมีส่วนเปรียบด้วยนิพพานตอบว่า ท่านถามปัญหาเกินกำหนดไปไม่อาจจะจับที่สุดแห่งปัญหาได้เพราะพรหมจรรย์มีนิพพานเป็นที่มุ่งหมายมีนิพพานเป็นที่สุดถ้าท่านหวังจะทราบก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามเถิดจงทรงจำไว้ตามที่ตรัสตอบเถิดสำหรับคำว่ามีส่วนเปรียบหมายทั้งส่วนเปรียบในทางเดียวกัน และทั้งตรงข้ามวิสาขาุบาศกไหวานางธรรมทินนาภิกษุณีทำประทักษิณและไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลคำถามคำตอบให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านางธรรมทินนาเป็นภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากถ้าท่านจะถามเรา เราก็จะตอบอย่างที่นางธรรมทินนาภิกษุณีตอบแล้วท่านจงทรงจำเนื้อความนั้นไว้เถิด